การปฏิบัติธรรม น, น, น, นใครที่ปฏิบัติจนถึงอุปกิเลสเกิดขึ้นได้นี่ก็นับว่าเป็นผู้มีบุญมากเป็นผู้มีปัญญา ม, มากเพราะว่ากว่าจะถึงวิปัสสนูปกิเลสนี่ผ่านวิสุทธิมากี่ข้อข้อแรกอะไรบ้างหนึ่งศีลวิสุทธินะเพราะว่าเป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยศีลนะสองเขามีอะไรอีกมีจิตตะวิสุทธิ มีสมถะที่เป็นผู้มีจิตมั่นคงมากมีทิฏฐิวิสุทธิคือการกําหนดแยกแยะสังขารนะมีกังขาวิตรณะวิสุทธิคือข้ามพ้นความสงสัยสามารถพิจารณาเหตุปัจจัยของสังขารได้เป็นอย่างดีขณะเดียวกันเขาก็เป็นผู้ที่ทําตีรณปริญญาใคร่ครวนสังขารทั้งมวลพิจารณาสัพพะสังขาร ตามโทษตามภัยของสับผาสังขารที่มีอยู่ว่าสังขารมีพิษมีภัยเช่นใดน่นะมีความไม่ดีอย่างไรและขณะเดียวกันก็ยังสามารถที่จะรู้เหตุเกิดและความดับของวัตตะได้เป็นอย่างดีเข้าใจว่าวัตตะนั้นก่อตัวสร้างตัวขึ้นอย่างไรความดับวัตตะวัตตะนี้ดับได้อย่างไรฟังคำสรรเสริญสังขานุสติที่ห้า กล่าวว่าพระภิกษุใช่ไหมพระภิกษุแปลว่าผู้เห็นภัยใหญ่หลวงในวัฏฏะสงสารอันณที่นี้ผู้ใดเห็นภัยอย่างใหญ่หลวงในวัฏฏะสงสารผู้นั้นชื่อว่าเป็นภิกษุนั้นเราทั้งหลายที่อยู่ณที่นี้โดยมากก็เป็นภิกษุเพราะว่าเห็นภัยอย่างใหญ่หลวงในวัฏฏะสงสารนะคำว่าภิกขุนี่มีหลายความหมายแต่ถ้ากล่าวตามวิสุทธิมรรค พิคุหรือพยโยคีบุคคลนั้นก็คือผู้เห็นภัยใหญ่หลวงในวะตะสองสารวะตา this มันมีภัยอย่างไรถ้าถ้าเราค ง, คงพอทบทวนได้ใช่ไหมคําว่าภัยแปลว่าเอาภัยก่อนภัยนี้แปลว่าความน่ากลัววะตา this มันน่ากลัวอย่างไระจะมองในแง่ของวิบากมองในแง่วิบาก ค, คือการเกิดขึ้นในภพต่างๆก็น่ากลัว เพราะที่เกิดของสัตว์ทั้งหลายมีอะไรบ้างเกิดในนรกเกิดในเปรตเกิดในอสุรกายเกิดในหมู่สัตว์ดิรัชานทั้งหลายแม้แต่เกิดในหมู่มนุษย์ก็ไม่รู้ว่าไปเกิดแห่งหนตำบลใดประเทศใดทวีปใดหรือไปเกิดเป็นเทวดาก็ไม่รู้จะไปอยู่จั ก, กรวาลไหนเพราะว่าจักรวาลก็ไม่ได้มีจักรวาลเดียวอะไรจักรวาล น, นั้นเป็นสิ่งที่หาที่สุดไม่ได้ไม่รู้ว่าจะหลุดไปอยู่จักรวาลไหนก็ไม่ทราบ นี่เมื่ อ, อวัตฏะสงสารเนี่ยนะการเกิดขึ้นในวัตฏะน่ากลัวแล้วการเกิดก็ไม่ใช่เกิดครั้งเดียวและจบเลยหมายคือว่าเกิดซ้ําแล้วซ้ําเล่าเกิดพบแล้วพบเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าไม่มีจบมีสิ้นดังที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าวัตฏะสงสารเนี่ยนะน้ำตาที่เราเคยเสียมาก็มากกว่าน้ําทะเลมหาสมุทรในขณะเดียวกันเราจะต้องไปร้องให้กับทุกเรื่องทุกอารมณ์ดีไม่ดีก็ต้องไปร้องให้กับทุกคน ที่จะมีต่อไปข้างหน้าน้ำตาก็ไม่น่าจะน้อยกว่าน้ำทะเลอีกถ้าไม่บรรลุเป็นพระโสดาบันถ้ายังดับทุกข์ไม่ได้เราต้องคิดดูนะเราน่าสงสารขนาดไหนใช่ต้องไปเที่ยวหลังน้ำตากับทุกคนเห็นคนนั่นเราก็ไปหลังน้ำตาไปเห็นคนโน้นก็ต้องไปหลังน้ำตาเอาถามว่าทำไมเราต้องไปหลังน้ำตาเพราะว่าสังสารวัรอันยาวนานถ้าเขาเกิดเป็นแม่เรา นะถ้าแม่ถ้าเกี่ยวข้องกับเขาโดยความเป็นแม่หรือเกี่ยวข้องโดยความเป็นพ่อพ่อก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่รักเป็นที่เราพอใจใช่ไหมถ้าพ่อเสียหายเช่นตายจากไปเราจะไม่เสียใจเลยหรือเราก็ต้องเสียใจถ้าเขาเหล่านั้นไปเกิดเป็นลูกเราเป็นหลานเราทั้งลูกทั้งหลานก็เป็นวัตถุแห่งที่ตั้งแห่งความเสียใจผลสรุปว่าเราจะต้องไปร้องให้กับทุกคนนนที่จะมีต่อไปในวัตัก ถ้ายัางเวียนว่ายตายเกิดนันอันนี้ก็นับว่าเป็นมหาภัยเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งใหญ่มากว่าเมื่อไหร่มันจะจบกันนี่อย่างแรกเรียกว่ากลัวในวิบากกลัวในผลกรรมที่จะเกิดขึ้นอย่างที่สองเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเราจะต้องไปทำกรรมอะไรบ้างไปทำกายกรรมอย่างไรไปทำวจีกรรมอย่างไรไปทามโนกรรมอย่างไรกรรมเหล่านั้นก็ล่วงอกุศลกรรมบทบ้างเป็นไปกับกุศลกรรมบทบ้าง โดยมากถ้าพูดตับสัมมาวาจาเลยใช่ไหมไม่ใช่นั่นนะขนารสนทนาธรรมอยู่ยังแอ บ, บแล้วเขไปเลย น, ะ <c oughs> นั้นก็มิจฉาวาจาก็จะตามมาเมื่อมิจฉาวาจามิจฉากรรมันตะวะจีทุจริตทั้งหลายก็พรั่งพรูออกมามโนทุจริตทั้งหลายก็ลังไลมาทางมโนทวารพันกิเลสทั้งหลายที่จะไหลไปทางกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมทําให้ทํากรรมโดยประการต่างๆ ถ้ากิเลสเป็นปัจจัยโดยมากไม่ทํากุศลกรรมอ น, นะกรรมที่จะทํานั้นเป็นกรรมที่มีกําลังแล้วโทษภัยของกิเลสเนี่ยนะอะไรที่จะร้ายแรงเท่ากับกิเลสไม่มีอีกแล้วกิเลสนี้ฟังแล้วคืออะไรรู้ไหมกิเลสคือความเศร้าหมองแห่งใจใจที่เศร้าหมองใจที่ถูกทำํำที่อกุศลชนิดหนึ่งทําให้เศร้าหมองสิ่งที่ทําใจให้เศร้าหมองสิ่งนั้นเรียกว่ากิเลสนี่ยนะ อันอุภาพของกิเลสนี้ก็ยิ่งใหญ่กรรมที่ทําทางกายวาจาและใจก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่วิบากที่จะรับก็จึงยิ่งใหญ่เพราะนั้นไอ้คำว่าใหญ่นี่หมายความว่าใหญ่ยังไงใหญ่ในความมีภัยเนี่ยนะใหญ่ใหญ่อย่างชนิดที่เรียกว่าสิ่งที่มีพิษมีภัยอย่างยิ่งใหญ่จริงๆอันผู้ที่เรียกว่าเป็นพิกขุหรือภิกษุก็คือผู้ที่เห็นภัยอย่างใหญ่ล้วงใน วะตะคือวัตตะนี่มีพิษมีภัยหรือเกินเมื่อเห็นภัยอย่างนี้แล้วก็ต้องมากาจัดต้นเหตุแห่งภัยเหล่านั้นกาจัดต้นเหตุแห่งความน่ากลัวนะนะความน่ากลัวผลของความกลัวก็เช่นความโศกนะความทุกข์ใช่ไหมความโศกย่อมเกิดจากอะไรความโศกเนี่ยนะในธรรมบทนี่แบ่งเป็นสองในความโศกย่อมเกิดจากวัตถุอันเป็นที่รัก ภัยคือความน่ากลัวย่อมเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักถ้าหากว่าไม่มีสิ่งอันเป็นที่รักเลยความโศกจักมีมาแต่ไหนภัยจักมีมาแต่ไหนอะไรบอกว่าอีกในหนึ่งบอกว่าความโศกย่อมเกิดจากความรักภัยก็เกิดจากความรักถ้าหากว่าไม่มีความรักแล้วความโศกจักมีแต่ไหนภัยก็จักมีมาแต่ไหนเพราะฉะกิเลส ที่เป็นต้นเหตุแห่งวัตตาจริงๆก็คือความพอใจความอาลัยหรือวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งอาลัยในบรรดาสิ่งที่เราอาลัยอาวรณ์ที่สุดมีอะไรเกินตาหูจมกูกลิ้นกายใจของเราไหมไม่มีเนราะสิ่งอื่นที่เรารักมากเราก็อย่างมากก็เปรียบได้กับกับตาบ้างนะสิ่งเป็นที่รักเราเราก็เปรียบว่าเออสิ่งนั้นเนี่ยนะเรารักมากเท่ากับดวงตา แต่จริงๆเราก็ต้องรักตาเรามากกว่าอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเปรียบนะเหมือนอย่างว่าโอ๊ยซื้ออะไรมาเหมือนทองมันก็ไม่ใช่ทองอ่ะนะนี่ก็เห ม, มือนก like like ันเราบอกโอ๊ยรักผู้อื่นมากเหมือนแก้วตาเลยก็ยังไงก็รักตามากกว่าเพราะว่าถ้าคนอื่นยังงามเท่าไหร่ถ้าตาเราบอดก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่เราก็ยังห่วงตามากกว่ารักอย่างอื่นอีกนะถ้ารักเปรียบเหมือนกระด้างกายบอกโอ้ยรักผู้อื่นเหมือนกับดวงใจนะรักเท่ารักหัวใจอะไรอย่างเงี้ย เปรียบเท่าหัวใจเหมือนแก้วตาเหมือนดวงใจมันแสดงว่าวัตถุเป็นที่รักเป็นที่หวงแหนจริงๆก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจพระพุทธเจ้าตรัสว่านี่แหละคือวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความโศกวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความน่ากลัวที่สุดเมื่อเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละเราจึงตั้งกติกาเอาไว้เยอะแยะไปหมดเลยว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้ เพราะอะไรเพราะเรากลัวความเสียใจที่ตามมาตามมาจากการมีตาหูจมกูกลิ้นกายใจดังั้นการศึกษาธรรมะในระดับสูงจึงเป็นการศึกษาเพื่อดับตาหูจมกูกลิ้นกายใจแต่ไม่ใช่วิธีแบบคนผ่านทั้งหลายคนผ่านทั้งหลายก็ถึงไงโอ้ยวุ่นวายมากทางตาก็วุ่นวายทางหูก็เดือดร้อนทางจิตใจก็ปั่นป่วนฆ่าตัวตายซะเถอะอัอ น, นั้นคือวิธีแก้ปัญหาแบบคนผ่าน ผ่านก็แปลว่าคนเข่าคนเข่าทั้งหลายก็นึกว่าฆ่าตัวตายแล้วก็แก้ปัญหาได้หมดนะนะจึงจริงๆก็คือการสร้างปัญหาอีกอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเขาแน่ใจหรือว่าฆ่าเขาฆ่าตัวตายจากมนุษย์แล้วเขาจะไปเกิดเป็นอะไรนะแน่ใจหรือจะได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกหรือเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองว่าตายแล้วศูนย์ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ศูนย์นั้นพวกคนพานทั้งหลายก็คิดว่าตายแล้วแก้ปัญหาได้ก็เลยพวกนี้คิดว่าเออตายแล้วก็จบกัน แต่บางพวกก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของที่ยั่งยืนถ้าหากว่าเราอ้อนวอนสำเร็จ um เราก็จะไปอยู่ในที่ที่มันรับแต่อารมณ์ที่พอใจอย่างเดียวไปเห็นแต่สีที่น่าปรารถนาะฟังแต่เสียงที่น่าพอใจทุกอย่างน่าพอใจหมดเลยเขาถือว่าทุกอย่างเกิดจากการอ้อนวอนมันลทัทธิอ้อนวอนนี้จึงมีมากในโลกนี้ น, นะอ้อนวอนด้วยการบูชาไฟบ้าง การบูชาไฟของเขาก็ถือว่าไฟเนี่ยส่งส่งเครื่องเส้นเนี่ยนะไปถึงผู้เป็นใหญ่ที่สุดก็อ้อนวอนด้วยการบูชาไฟบางพวกก็อ้อนวอนด้วยด้วยการอะไรก็ตามเถอะการกราบการไหว้การอะไรกา ร, การแสดงการละเล่นโดยประการต่างๆทั้งหมดนั้นก็คือการอ้อนวอนอีกชนิดหนึ่งนะหรือบางพวกที่เส้นสวงบางอย่างก็เพื่อการอ้อนวอนอ้อนวอนคิดว่าอะไรนะให้ท่านรับสมัครเราไปอยู่ด้วยนะ อ้อนวอนเผื่อท่านเห็นใจเราตายไปเราจะไม่ได้อยู่กับท่านอยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้เลยนะเขาว่าดีอ่ะก็อยากไปบ้างอันนั้นคือการแก้ปัญหาแบบพวกสัตตทิฏฐิแต่พุทธศาสนาบอกว่าการเกิดขึ้นของตาหูจมูกลิ้นกายใจชื่อว่าเป็นการเกิดขึ้นแห่งกองทุกเนี่ยทุกทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็เนื่องจากมีตาหูจมูกลิ้นกายใจชั้นแรกนะถ้าหากว่าถ้าถ้าจะปฏิบัติเพื่อ ด, ดับตาหูจมูกลิ้นกายใจ คุณต้องเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจยมาประพฤติให้มันบริสุทธิ์คําว่าบริสุทธิ์หมายคำว่าเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญกุศลให้กุศลจิตเกิดขึ้นเมื่อตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกรู้กลิ่นลิ้นรู้รสกายรับประทบโทภชพระใจนึกคิดมีอยู่สูตรหนึ่งรองบอกว่าให้สํารวมจักขุนะนะ การสำรวมจักขู่นี้ย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จการสำรวมโสตะก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จการสำรวมขานะคือจมูกก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จการสำรวมลิ้นก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จการสำรวมรจการวมกายก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จการสำรวมวาจาก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จการสำรวมใจก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จถ้าผู้ใดสำรวมทวารทั้งมวลนี้ผู้นั้นก็จักพ้นไปจากทุกข สำรวมนี้มาจากคำว่าปิดหรือแปลว่ากั้นสังวรมีอยู่กี่ประการหประการสังวรห้าหนึ่งศีละสังวรสังวรด้วยศีลสองปฏิโมกสังวรศีลสังวรอันเดียวกันสองสติสังวรคือที่สังวรเพราะว่าถ้าไม่ระลึกถึงสติไว้เสมอสตินีนเมื่อเช้ากล่าวว่าไงนะกล่าวว่าระลึกถึงสมบัติของตนว่าตนนั้นมีสมบัติอะไรบ้าง เช่นมีศรัทธามีหิริมีโอตต ะ, ะมีศีนมีสุตะมีจาระมีปัญญาถ้ามีสติเนี่ยนะเห็นอย่างไรได้ได้ยินอย่างไรจึงจะไม่เสียศีลไม่ทำลาหิริโอตต ะ, ะยังรักษาสุตตะเจริญด้วยจา้ะบริบูรณ์ด้วยปัญญาต่อไปได้นันสติจะทำให้ระลึกถึงว่าการเห็นครั้งนี้จะต้องไม่เสียอริยสัพจิตประการรักษาอริยสัพต่อไปได้ยินเสียงก็ต้องไม่เสียอริยรัพ รู้กลิ่นก็ต้องไม่เสียอริยทรัพย์บริโภคอาหารต้องไม่เสียอริยทรัพย์กลางวันนี้ใครเสียทรัพย์อยู่บนตัวอาหารบ้างนะเอาอภิชาโท ม, มนัสเกิดนี้ทรัพย์ร่วงหมดแหะรักษาทรัพย์ไม่ได้นะถ้าเจริญอาหารหัตปฏิคูลสัญญาเป็นต้นก็รักษาทรัพย์เอาไว้ได้แล้วต่อไปแต่ละทวารเนี่ยนะเรารักษาทรัพย์ได้ไหมรักษาทรัพย์คือกุศลธรรมได้ไหมอันนั้นแหละเป็นสติสังวร ถ้าเป็นยาณสังวรก็คือการพิจารณาการปัจเวกเป็นต้นหรือแม้กระทั่งการทำปริญญาการพิจารณานามรูปพร้อมทั้งปั จ, จัยดังที่กล่าวไปแล้วนั่นแหละเรียกว่าเป็นยาณสังวรขณะเดียวกันนี้ไม่ง่ายหรอกเพราะอากุศลมันก็มีกำลังเหมือนกันอันนี้แหละที่จะต้องภาคเพียนเพียนเพื่อจะเกียรติกันอกุศลออกไปแต่ก็แหมไม่ง่ายเหมือนกันนะพระองค์บอกว่า ในโลกนี้น้อยคนนักที่จะเกียรตกันอกุศลวิตตกด้วยหิริและโอตตะปะนะที่ถ้าทําได้นะที่ทําได้ที่รังเกียรตอกุศลวิตตกเนี่ยน้อยนักสมมุติถ้าคนอื่นเขาเขาเขาเลวเนี่ยนะกับไอ้โทสะเราเกิดไนะหนเลวกว่ากันนะตอนนี้บอกว่าพูดเอาใจพระหน่อยว่าโทสะนี่มันเลวแต่พอเอาเข้าจริงๆบอกคนนั้นอนะเลวมากเลยนะทําให้เราเกิดโทสะเนี่ย น, นะ เราไม่อยากจะโกรธนะมาทำยั่วซะจนเราโกรธที่ไหนได้ไม่รู้ใครเลวกับใครไม่ทราบเราะนั้นโทสะนี่ไม่เลวมันไม่ดีอนะนะคือสภาพจิตที่ไม่ดีเพราะความเลวเนี่ยเขาไม่ได้ทําให้เราตกนรกที่ไหนแต่โทสะที่เกิดในใจเรานี่สิมันเป็นตัวที่ฉุดเราไปสู่อบายทุคติวินิบาตนรกเนี่ยนะนะทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยนะแม้กระทั่งความโลภหรือความลุ่มหลงทั้งหลายที่เกิดในจิตใจของเราอันนี้คือสิ่งที่น่า รังเกียจที่สุดมันคนที่จะรังเกียจบาปอากุศลนั้นจึงน้อยนักโดยเฉพาะรังเกียจความไม่รู้นะี่ยิ่งน้อยเข้าไปเลยนะไม่เคยคิดนะว่าเอ๊ะถ้าเราไม่รู้อริยสัจแล้วมันเลวร้ายแค่ไหนน้อยคนนักที่จะกลัวกลัวว่าเมื่อกลัวไม่รู้อริยสัจเพราะถ้าตัวเองไม่รู้อริยสัจเดือดร้อนแน่น้อยคนนักที่มีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากนะการไม่เห็นอริยสัจการไม่รู้อริยสัจมี่น่ากลัวจริงๆ คือเนี่ยเท่าหลายท่านอาจจะบอกว่าใช่ใช่เขาเขาเชื่อเขานามันหน่ากลัวจริงๆนะาไม่เห็นอริยสัจอะไรจะเกิดขึ้นน่าฟังแล้วมันน่ากลัวแต่มีความกลัวอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเขามาเชื่อว่าไม่กี่คนที่รู้สึกกลัวความไม่รู้อริยสัจจริงๆเลยเนี่ยนะกลัวในความเป็นปุถุชนของตัวเองนะกลัวว่าตัวเองเนี่ยวัตถุอันตรายเนี่ยนะนะ ป้าเพ็ญศรีเคยรู้สึกว่ากลัวตัวเองมากๆเลยที่ไม่เห็นอริยสัจเนี่ยนะกลัวจะต้องไปทําบาปทํากรรมอะไรบ้างไหมกลัวจริงๆเลยเนี่ยนะกลัวใจตัวเองเหมือนกันนกลัวมันไปเป็นบาปเป็นอกุศลกลัวมันจะไปทําอกุศลโดยประการต่างๆกลัวจริงๆเลยใจที่ลุ่มหลงใจที่ไม่รู้อริยสัจมั้นอย่าไปอย่าไปดูถูกนะว่าไอความเศร้ามองแห่งจิตเล็กๆน้อยๆมันจะไม่ไม่ประทุสร้ายตัวเองให้จมไปสู่ในอบายทุกขติวิบัตินรก พระไตรปิฎกนี้เป็นคําสอนที่ว่าด้วยนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานมากที่สุดเกือบทุกเล่มจะต้องมีนรกพ่วงอยู่ด้วยในนั้นทั้งหมดเลยแล้วก็ถ้าวิชาสามด้วยนะจุตูปบาตยานเนี่ยอันนี้ยิ่งยังไงก็ต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องอบายทุกขติวินิบาตนรกไว้หมดเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่กลัวภยัยไม่กลัวอาบายทุกขติวินิบาตนรกนั้นน่ะจึงยากที่จะอบรมสมถะและวิปัสสนาได้ยาก ต่อเนื่องเพราะไม่กลัวภัยในอบายอันผู้ที่เห็นภัยในอบายตั้งมั่น น, นะคือมีความเกรงกลัวภัยในอบายอย่าง <ๆ S 1> ททแท้จริงเข้าจากอบรมสมถะและวิปัสสนาให้เกิดอย่างต่อเนื่องอย่างทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยนะการพิจารณาขันห้าอายตนาสิบสองเป็นต้นก็ต้องมีจิตตวิสุธทธิเป็นเหตุใกล้การกําหนดปัจจัยเนี่ยนะกำหนดปัจปจัยก็ต้องมีจิตตวิสุธทธินั่นแหละเป็น เหตุใกล้การพิจารณาการใครครวนสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นต้นก็ต้องมีจิตตวิสุทธิ์เป็นเหตุใกล้แม้กระทั่งการพิจารณาเกิดดับพวกนี้เนี่ยนะก็มีจิตตวิสุทธิ์เป็นเหตุใกล้พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเธดเมื่อเธอเจริญสมาธิแล้วเธอจักรู้เห็นตามความเป็นจริง จักรู้เห็นรูปตามความเป็นจริงจักรู้เห็นเหตุเกิดของรูปตามความเป็นจริงจักรู้เห็นความดับไปแห่งรูปตามความเป็นจริงเพันธะสมาธินี้เป็นเหตุใกล้ให้รู้เหตุเกิดและความดับของอุปาทานขันห้าว่าขันห้าเกิดโดยอาการเท่าใดดับโดยอาการเท่าใดเกิดโดยปัจจัยใดดับโดยปัจจัยใดพันธะสมาธิชื่อว่าเป็นเหตุใกล้แห่งปัญญาถ้าสมาธิเป็นเหตุใกล้แห่งปัญญานะมักแต่ต้องเขียนเป็นวงกลม สมาทิฏิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสัมมาสังกปะใช่ไหมสัมมาสังกปะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสัมมาวาจาก็ไล่ไปจนถึงสัมมาสมาธิสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาพันก็เขียนเป็นวงกลม น, นะวงกลมแล้วก็ก่อสร้างตัวขึ้นไปเรื่อยๆพันธุ์จิตที่ตั้งมั่นนี้สาคัญมากต่อการอบรมเพราะผู้ที่อบรมได้ตามนี้เนี่ยจึงเป็นผู้มีความบริสุทธิ์อย่างมากถ้าความบริสุทธิ์ดังที่กล่าวไปเนี่ยนะใครที่ทําได้ถามว่าสมควรไหมที่จะดับทุกข์ ถ้าเจริญได้ดังกล่าวไปแล้วนะเห็นว่าข้อปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเป็นข้อปฏิบัติที่สมควรแก่การบรรลุพระนิพพานอย่างแท้จริงเป็นข้อปฏิบัติที่สมควรแก่การแทงตลอดอริยสัจเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะปัญญาความรู้ความเข้าใจก็สอดคล้องต่อการเห็นอริยสัจอยู่แล้วทีนี้การพิจารณาโดยเฉพาะแค่ทาความเข้าใจในระดับโลกิย า, ยานในเรื่องอริยสัจ ทำความเข้าใจด้วยโลกิ ย, ยานที่รู้เหตุเกิดความดับแห่งอุปาทานขันห้าก็จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่น่าน่าชื่นใจตั้งหลายเรื่องใช่ไหมเช่นเกิดอะไรบ้างเกิดวิปัสนูปกิเลส1ิบใครนะบอกอวิปัสณูปกิเลสน่ารังเกียจมากแต่จริงๆแล้วมันเป็นผลขหรือมันเป็นรางวัล ท, ท, ที่เกิดจากการเจริญสมะถะและวิปัสสนาเนี่ยนะ เป็นสิ่งที่น่าชื่นใจนะแต่ละอย่างเนี่ยดูสิมีมีแต่ละอย่างดีทั้งนั้นเลยเช่นญาณนะญาณนก็คือธรรมวิจยะสัมโพชงนั่นแหละปีติล่ะก็ปีติสัมโพชงปสัสสติก็คือปสัสสติสัมโพชงสุขสุขก็เป็นผลของสมถาวิปัสนาก็สุขที่เกิดจากการเจริญสมถาวิปัสนาสุขที่เกิดจากการมีสติมีปัญญาแล้วอธิโมกอธิโมกก็คือศรัทธา อธิโมกคือสรัทธาปักคาหะคือวิรยิยะอุปทานะก็คือสติอุเบขาก็คืออุเบขาสามโพชงอาวัชนะก็คือปัญญานิกตัวเลวตัวเดียวคือตัวตัณหานิกันตินะแต่ว่าเก้าอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยดีเยี่ยมเดียนะดีมากเพราะว่าทุกอย่างในนั้นเนี่ยเกื้อกูลต่อการบรรลุมรรคผลทั้งหมดเลยแต่เพียงแต่ผู้ปฏิบัติในเบื้องต้นเข้าใจผิด คิดว่าเป็นมรรคผลแต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังชื่อว่าเป็นตัวปฏิบัติที่ทําให้เกิดการบรรลุมรรคผลทีนี้แรกๆเนี่ยนะเขามามานึกว่าให้อุปกิเลสมันเกิดก่อนเถอะเนี่ยนะค่อยละมันปัญหาว่ากลัววิปัสณูปักกิเลสเยอะเกินอย่างเงี้ยนะแม่อันนี้ไม่ต้องกลัวขอให้มันเกิดเถอะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้ า, าสรรเสริญนะวิปัสณูปกกิเลสแต่ละอย่างเนี่ย ตัวตัวคุณธรรมเหล่านี้นะเช่นปีติเป็นต้นเนี่ยน่าพระองค์สรรเสริญนะนะพระองค์ให้พระองค์สอนให้เกิดปีติเกิดปราโมทเป็นต้นแต่ความไปเข้าใจผิดว่าปีติระดับล่างๆเป็นปีติที่เป็นมรรคผลอันนี้เข้าใจไม่ถูกเพราะปีติเหล่านี้ยังไม่ได้มีนิพพานเป็นอารมณ์อะไรไม่มาดูการกําหนดแยกแยะว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางในหน้าหนึ่งร้อยแปดสิบหกข้อ เจ็สาสกล่าวว่าพระโยคาวจรผู้ฉลาดเป็นบัณฑิตเฉียบแหลมสมบูรณ์ด้วยปัญญาเมื่อวิปสัสสโนปกิเลสมีโอภาษเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วย่อมกําหนดพิจารณาโอภาสเป็นต้นนั้นด้วยปัญญาอย่างนี้ว่าโอภาษเกิดขึ้นแล้วแก่เราแหล่แสงสว่างนะเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าโอภาษคือแสงสว่างนี้นั่นแลไม่เที่ยงทําไมไม่เที่ยง คือมีแล้วก็ไม่มีใช่จากไม่มีแล้วมามีขึ้นมีขึ้นแล้วก็หมดไปเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอะไรปรุงสมถาวิปัสนาเนี่ยปรุงแต่งขึ้นเป็นสิ่งที่อาศัยปัจจัยเนี่ยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมด า, านะมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาทั้งปวกการพิจารณาอย่างนี้เนี่ยทให้ไม่ไปหลงติดใน โอภาษโอภาษนี้ดีแต่ว่าการติดในโอภาษไม่ดีเนีย่ยนะความไปหลงติดไปหลงชื่นชมในสิ่งเหล่านี้ไม่ดีหรือมีวิธีพิจารณาอีกอย่างหนึ่งว่าพระโยคาวจรนั้นจะมีความคิดอย่างนี้ว่าถ้าหากว่าโอภาษพึงเป็นอัตตาแล้วไซควรที่จะถือเอาว่าเป็นอัตตาก็แต่ว่าโอภาษนี้เป็นอนัตตาเท่านั้น ก็กลับถือเอาว่าเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นโอภาษนั้นชื่อว่าเป็นอนัตตาทำไมจึงโอภาษจึงเป็นอนัตตาเพราะอัฏฐาว่าไม่เป็นไปในอำนาจมีใครควบคุมดูแลบงการโอภาษอันนี้ได้จริงๆริงไหมไม่ได้ใช่ไหมเชื่อว่าไม่เที่ยงเพราะอัฏฐว่ามีแล้วก็กลับไม่มีเชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะอัฏฐาว่ามีความบีบคั้นโดยความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปดังนี้อันนี้เป็นวิธีพิจารณาที่สอง พิจารณาแบบที่หนึ่งไงไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะแต่เท่าอีกวิธีหนึ่งก็บอกสิ่งนี้ไม่ใช่อัตานะจริงๆแล้วมันเป็นอนัตตาเพราะไม่เป็นไปในอำนาจไม่เที่ยงเพราะมีแล้วก็ไม่มีเป็นทุกขเพราะบีบคั้นโดยความเกิดและความเสื่อมอันนี้ก็เป็นการวิธีพิจารณาแบบอะไรแบบอารูปสัตตกะเพราะโอภาพทั้งหลายพวกวิปัสสนูปกิเลธทั้งสิเนี่ยนะ โดยมากเป็นนามธรรม อ, อขอไปทั้งหมดนั้นเป็นนามธรรมถ้าเป็นนามธรรมนั้นจึงต้องพิจารณาแบบอารูปสัตกะอารูปสัตกา this ที่เราได้กล่าวไปแล้วในหน้า149นี่นะพิจารณาว่ า, างไางเห็นไนะในหน้าทวนย้อนไปหน้า149ใช่ไหมย่ยอหน้าว่าย่อหน้าล่างว่า เมื่อเล็งเห็นอยู่ว่าถ้าหากว่าสังขารนี้พึงเป็นอัตตาแล้วใชก็ควรจะถือเอาว่าเป็นอัตตาแต่ว่าไม่ใช่อัตตาเลยก็ถือเอาว่าเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นสังขารเหล่านั้นจึงชื่อว่าเป็นอนัตตาโดยความหมายว่าไม่เป็นไปในอำนาจโดยความไม่เที่ยงว่ามีแล้วก็กลับไม่มีเป็นทุกข์เพราะมีความหมายว่าบีบคั้นโดยความเกิดและความเสื่อมไปนี้เรียกว่าเพิกถอนทิฏฐิอานาการขึ้นต้นด้วยการพิจารณา ว่าไม่ใช่อัตตาจริงๆแล้วมันเป็นอนัตตาอันนี้เพื่อเพิก อ, อะไรเพิกทิฐิเพื่อเพิกถอนทิฐิถ้า <c oughs> ถ้าเพื่อเพิกถอนมานะนี่ทํำยังไงเนี่ยเพิกถอนมานะก็บอกว่าเมื่อเล็งเห็นอยู่ว่าหากว่าสังขารนี้จะพึงเป็นของเที่ยงไซ ก็ควรจะถือเอาว่าเป็นของเที่ยงแต่ว่าไม่ใช่ของเที่ยงเลยก็ถือเอาว่าเป็นของเที่ยงเพราะฉะนั้นสังขารสังขารที่นี้ถ้าพิจนาตามวิปัสสนูปกรณ์ต้องบอกว่าโอภาษเหล่านั้นเชื่อว่าไม่เที่ยงโดยความหมายก็มีแล้วก็กลับไม่มีเชื่อว่าเป็นทุกโดยความหมายว่ามีความบีบคั้นหรือบีบคั้นโดยความเกิดและความเสื่อมชื่อว่าเป็นอนัตตาโดยความหมายว่าไม่เป็นไปในอำนาจ ั้นการพิจารณาเพื่อจะเพิกถอนมานะเนี่ยขึ้นต้นด้วยอ น, นิจจังถ้าเพิกถอนปัญหาล่ะเมื่อเล็งเห็นอยู่ว่าถ้าหากว่าสังขารสังขารในวิปสัสสโนปกิเลสก็คือโอภาษใช่ไหมเพึงเป็นสุขแล้วใส่ก็ควรจะถือเอาว่าเป็นสุขแต่ว่าเป็นทุกขนั่นแหละก็ถือเอาว่าเป็นสุขเพราะฉะนั้นสังขารคือโอภาษเป็นต้นเหล่านั้นชื่อว่าเป็นทุกข์โดยความหมายว่าความหมายตัวนั้นมาจากคําว่าอัถฐว่า มีความบีบคั้นโดยความเกิดและความเสื่อมไปชื่อว่าไม่เที่ยงโดยอัตถะว่ามีแล้วก็กลับไม่มีชื่อว่าเป็นอนาตตาโดยความหมายว่าหรือโดยอัตถาว่าไม่เป็นไปในอำนาจ <c oughs> แลวก็อันนี้วิธีพิจารณาเพื่อจะเพิกตันหามานะทิฏฐิในโอภาษเนนะ อันนี้เป็นวิธีการพิจารณาแบบรูปสัตขออภัยแบบอรูปสัตตกะแบบอรูปสัตตกะย้อนกลับมาหน้า187คืนว่าพระโยคาวจรนั้นครั้นพิจารณาเห็นอย่างนั้นแล้วย่อมเล็งเห็นโอภาษนั้นว่านั่นไม่ใช่ของเราอันนี้ปฏิเสธอะไรนั่นไม่ใช่ของเราปฏิเสธตัณหาเราไม่เป็นนั่นปฏิเสธมานะนั่นไม่ใช่อัตตาของเราปฏิเสธทิฏฐิ ตามปฏิเสธทิฏฐิปฏิเสธตันหามานะทิฏฐิในวิปัสณูปกิเลสทั้งทั้งสิบเลยเช่นอะไรยานนั้นตัญญาเนี่ยนะไม่ใช่ของเราเพื่อปฏิเสธตันหาเราไม่เป็นนั่นปฏิเสธมานะยานนั้นก็ไม่ใช่อัตตาของเราปฏิเสธทิฏฐิไล่ไปอย่างนี้ทุกข้อเลยนะทั้งสิบข้อว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ อัตตาของเราการกล่าวว่านั่นไม่ใช่ของเรานี่เท่ากับบอกอะไรบอกว่าเป็นอะไรเป็นทุกข์เราไม่เป็นนั่นก็บอกว่ามันิจังบอกว่านั่นไม่ใช่อัตตาของเราก็บอกว่าเป็นอนัตตาเพราะคาว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราก็บอกว่านั่นเป็นทุกข์นั่นไม่เที่ยงนั่นเป็นอนัตตาอันเดียวกันเนี่ยต่างกันแค่พยัญชนะต่างกันโดยโวหาร เมื่อเล็งเห็นอยู่อย่างนี้ก็ย่อมไม่หวั่นไหวไม่สะดุ้งสะเทือนในเพราะอุปกิเลสมีโอภาษเป็นต้นเลยนะก็โอ้แสงสว่างอันนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราโอภาสนี้เป็นทุกข์เป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดานี่นะมันถ้าตามพิจารณาแบบนี้บ่อยๆก็ไม่ยึดถือในโอภาษ แต่ว่ามันมีบางคนที่ศึกษาใหม่ๆยังไม่รู้เรื่องอะไรก็เลยไม่อยากยึดถือโอภาสมั่งนะดีไหมอย่างนี้ถ้าเจริญปฏิบัติธรรมไม่เคยมีโอภาสเลยแล้วบอกโอภาษน่ากลัวมากเดี๋ยวยึดติดเขาว่างั้นเนละอันนี้เข้าใจดีไหมเข้าใจไม่ดีเขามีบางคนทนะี่เขาว่างั้นแหละเขาบอกว่าเขาไม่เจริญดอกสมถะเขากลัวติดสุขเขาว่างั้นซึ่งไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลย นัสศึกษารพระคุณเจ้าเจ้าค่ะอยากจะขอเรียนถามพระคุณเจ้าว่าอโอภาษ ท, ที่เป็นวิปัสสนุ ป, ปกิเล็ดอันแรกนี่เป็นรูปหรือเป็นอารูปเจ้าคะเพราะว่าถ้าถ้าเข้าตามความเข้าใจแสงสว่างน่าจะเป็นรูปแต่ว่าการอธิบายตอนท้ายนี้ในชะ้อารูปสติกะอธิบายเจ้าค่ะโอภาษเนี่ยเป็นปันตัวแสงเนี่ยนะมันเป็นอัพยากตธรรมเป็นรูปจริงแต่ว่า ตัวที่เห็นนี่เห็นด้วยปัญญาปัญญาเนี่ยสว่างขึ้นปัญญานี่ทำให้สว่างเช่นคนมีตาทิพย์เนี่ยเห็นเห็ น, เ ห, นเห็นกลางคืนเหมือนกลางวันเป็นไปหมดเลยเนี่ยถามว่าเห็นนั้นเป็นรูปหรือเป็นนามนั้นตัวปัญญาอันนั้นจึงเป็นนามมาทำนั้นโอภาษนั้นจึงเป็นนามเรียกว่าเป็นเป็นปัญญาที่ที่ทำให้เกิดมองเห็นโดยความเป็นแสงสว่างเนี่ย คือไม่่ใชตัวแสงมันไม่ใช่ว่าใครเกิดวิปัสสโนภาคแล้วทุกคนจะมองเห็นด้วยกันหมดไม่ใช่มันเป็นปัญญาของผู้นั้นที่มีเหมือนกับคนมีตาทิพนั้นะพะนั้นตัวตัวตาทิพนั้นน่ะเป็นนามธรรมไงที่พจักขูนี่เป็นเป็นนามธรรมหมายควา ม, รร ม, มว่าจะพิจารณาที่ตัวปัญญาความสว่างของปัญญาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นรูปเพราะว่าไม่ใช่พิจารณาตัวแสง เจ้าค่ะพอดีพอดีเปิดเนดิกาเขาพูดถึงว่าวิวปัสสนภาษนี้เป็นรูปที่เป่งปลังที่ตั้งขึ้นแต่วิปัสนาจิตแต่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงรูปจริงๆใช่ไหมเจ้าคะเป็ น, เ, ปนเน้นการพิจารณาตัวนามธรรมที่เป็นต้นเหตุให้เห็นให้เกิดความสว่างเหล่านั้นขึ้นซึ่งความสว่างตัวนั้นไม่ใช่เป็นทุกคนต้องเห็นความสว่างตัวนั้นเป็นความสว่างที่เห็นได้เฉพาะตัวเฉพาะผู้ที่เจริญวิปัสนาเฉพาะผู้ที่มีวิปัสนาปัญญาที่เห็นแบบนั้น ทันวิปัสสนาตัวนี้โอภาสแสงสว่างตัวนี้จึงเป็นปัญญาเป็นนามธรรมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพระโบราณอาจารย์กล่าวไว้ว่าพระโยคาวจรผู้ใดมีปัญญาเชี่ยวชาญคือรู้เท่าฐานะที่ตั้งที่เกิดอุปกิเล ส, สิบอย่างเหล่านี้พระโยคาวจรผู้นั้นย่อมเป็นผู้ฉลาดในธรรมและในอุปกิเลสคือความฟุ้งซ่านย่อมจะไม่ถึง ซึ่งความสัต์สายคือคนที่เจริญกุศลธรรมมาระดับนี้บางทีก็เริ่มสายเหมือนกันเริ่มเริ่มเอ๊ะคล้ายๆกับว่าตัวเองยังไม่ได้ถึงไหนหรอกแต่ก็เชื่อว่าตัวเองนี้เข้าถึงมรรคผลแล้วพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็สัตย์สายแต่ก็เป็นจริงนะเคยอยู่กับพระรูปหนึ่งท่านมีอยู่วันหนึ่งไม่รู้เกิดปรากฏการณ์อะไรของท่านไม่รู้บอกแหมมันลงไปหมดเลยเขางั้น เสร็จแล้วก็ไม่เห็นว่าท่านเน้นไปเจริญกุศลธรรมอะไรเพราะท่านถือว่าท่านรู้แล้วท่านเห็นแล้วพอมีความคิดว่าตัวเองรู้แล้วเห็นแล้วเลิกเลยนะหลังจากนั้นก็ไปหันไปก่อสร้างแทนเป็นต้นนะนะเลยฟุ้งซ่านตอนนี้ก็รักษาผ้าไมาอยู่ละมันก็เป็นอย่างนั้นท่านใครที่ที่เข้าใจผิดถ้ายังไม่ถึงที่สุดแล้วยังถือว่าตัวเองนั้นถึงที่สุดแล้วก็ อันตรายมากแต่ผู้มีปัญญาเขาจะรู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสังขารธรรมจากไม่มีแล้วมามีขึ้นสิ่งใดก็ตามที่ไม่มีแล้วมีขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงจะไปถืออะไรก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นแหละเป็นอนาตตาสิ่งเหล่านี้อันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นถูกปัจจัยสร้างขึ้นจะไปยึดถือทาไมเนี่ยนะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อัตตาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ อัตตาของเราเพราะเป็นสิ่งที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นสังขารธรรมเป็นนามธรรมก็ตามเห็นสิ่งเหล่านั้นว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราหรือตามเห็นไม่เที่ยงว่าสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวน่ากลัวยังไงน่ากลัวเพราะไม่ให้เจริญกรรมฐานต่อไปเพราะมุ่งแต่ไปชื่นชมในสิ่งเหล่านี้เป็นอนัตตาเพราะไม่มีแก่นอะไรเลยไม่มีแก่นคือความเที่ยงความสุขความยั่งยืนอยู่ในนั้นเลย มันผู้ที่มีปัญญาใคร่ครวญโดยอุบายโดยรอบแล้วก็ไม่สัด ส, ส่ายไม่ฟุ้งซ่านไปในสิ่งเหล่านั้นพระโยคาวจรนั้นเมื่อไม่ถึงความฟุ้งซ่านไปอย่างนี้ก็ย่อมสางชัดคืออุปกิเลสามสิบอย่างเหล่านั้นแล้วสามสิบอย่างคืออะไรบ้างก็คือโอภาษเนี่ยคูณสาคือหมายความว่าวิปัสสนูปกิเลสิบคูณสาคูณสามสามอะไรบ้างตันหามานะทิฐิก็เลยรวมเป็น 30ก็พิจารณาว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตราของเราเพื่อเพิกถอนตัญหามานะและทิฏฐิในวิปัสสนูปกิเลส10อย่างกํนดแยกธรรมที่เป็นทางและไม่ใช่ทางได้ว่าแยกออกเลยนะว่าอะไรเป็นมักอะไรไม่ใช่มักธรรมทั้งหลายมีโอภาสเป็นต้นไม่ใช่ทางไม่ใช่มักเป็นอมักใช่ไมไม่ใช่มัชก็แสดงว่าเป็นอัมมัชไม่ใช่ทาง ส่วนวิปัสนาญาณอันพ้นแล้วจากอุปกิเลสที่ดําเนินไปตามวิถีเป็นอันนั้นเป็นมัคคือเป็นหนทางเป็นข้อปฏิบัติพึงทราบว่ายานของพระโยคาวจร น, นั้นที่ตั้งอยู่รู้ธรรมะที่เป็นมัคและไม่ใช่มัครู้เป็นทางและไม่ใช่ทางวันนี้เป็นทางนี้มัคคะนี้อัมมัคคะไม่ใช่ทางมัคคะบวกอัมมัคคะเป็นมัคคามัคคะเนีย่ยนะเดี๋นะ คนที่เรียนบาลีมาบ้างบอกก็ฟังแล้วเข้าใจเลยถ้าคันไม่ได้เรียนมาก็ยังสับสนนิดหน่อยอย่างอย่างยกตัวอย่างเช่นโกศลถ้าบวกอา ก, กุศลเข้าไปบาลีเขาว่าไงเป็นกุสลากุสลัง นี่จริงๆเขาแยกสั์มาจากอกุศนเออกุสนบวกอกุสลนี่เหมือนกันนะถ้าเป็นมคัคคะบวกอะมคคะก็กลายเป็นมัคคามคาัคคะนี่นะแปลเขาก็ตัดเป็นว่ามัคคะบวกอมคัคคะก็ลยกลายมัคคะก็คือนี่เป็นทางอะมคัคคะ ไม่ใช่ทางอะไรเป็นทางบอกว่าวิปัสนาที่สรุปว่าอนุปัสนาเจ็ดเป็นทางอันนี้รวบโดยอัดเลยนะอนุปัสนาเจ็ดเป็นทางวิปัสณูปกิเลสสิบนะวิปัสณูสิบไม่ใช่ทางก็มาแยกออก ว, ว่าอะไรเป็นทางไม่ใช่ทางนั่นแหละเป็นมคามคขญ า, านทัศนวิสุท ธ, ธิโดยสรุปมีเท่านี้ เราฟังแต่โดยสรุปก็พอละถ้าพิสดาร น, นะทำรายงานส่งไงวะดีไหมต้ามารสีถ้าพิสดานก็ทำรายงานส่งจะตรวจให้ นั้นการที่สามารถแยกออกว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางนี่แหละเป็นมัคคามัคยาณทัศนวิสุธทธิกําหนดง่ายๆว่าวะอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามยืนอยู่บนหลักการคืออนุปัสนาเจตอันนี้คือข้อปฏิบัติที่ถูก อ, นนะอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามถือเอาอนุปัสนาเจตเป็นหลักทวนหะน้อนุปัสนาเจตมีอะไรบ้างอั น, นิีจานุปัสนาทุกขานุปัสนาอนัตตานุปัสนานิพพานุปัสนา วิราคานุปัสนานิโรธานุปัสนาและปฏิเิสคานุปัสนาเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามยืนอยู่บนหลักการคืออนุปัสนาเจ็อนุปัสนาเจ็ดถ้าบวกกายเรียกว่ากายานุปัสนาอนุปัสนาเจ็ดถ้าบวกเวทนาเรียกว่าเวทนานุปัสนาอนุปัสนาเจบวกจิตเรียกว่าจิตานุปัสนาอนุปัสนาเจ็ดถ้าบวกธรรมเรียกว่าอนุธรรมานุปัสนา วันถ้าอยู่บนหลักการคืออนุปัสนาเจ็ดไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะอันนี้ถูกทางละแต่ถ้าเลิอกอนุปัสนาเจ็ดเมื่อใดเมือม่อใดเมื่อใดไม่ใช่ทางแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็าตามเถอะถ้าทิ้งอนุปัสนาเจ็ดเรียกว่าไม่ใช่ทาง